วันนี้เป็นวันเพลนเดือนสิบซึ่งก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งคือเป็นวันวันทําบุญเขาศาสตร์ของทางอีสานถ้าเป็นทางภาคใต้ก็คือเป็นวันตายายซึ่งประเพณนี้นี้เป็นการส่งเสริมให้ระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วสมัยก่อนมาอยู่ทางใต้อยู่ทางสวนโมกเนี่ยพระที่วัดสวนโมกมีเป็นอร้อยรูปก็ถูกนิมนต์ไปตามวัดต่างๆจนหมดเลยเพราะแต่ละวัดตามแมนนอกเนี่ย จะมีภาพน้อยซึ่ง้าก็ไม่ค่อยพอวันนั้นเราวัดสวนโลกเ่ยวัดล้างเลยแหละภาพไปหมดวัดไปเราเดินสายวัดต่างๆห้ารูปบ้างสิบรูปบ้างสามรูปบ้างแล้วแต่จะให้ไปได้ทางใต้ถือว่าประเพณีนี้เป็นพิธเพณีที่สำคัญมากซึ่งทําให้ลูกหลานได้ตอบแทนบุญคุณและลึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายาที่ล่วงรับไปแล้วซึ่งทางใต้เถื่อเป็นเรื่องจริงจังมากแต่ทางอีสานเนี่ยอมาก็ไม่รู้นะเพราะอมาก็ไม่ค่อยคุ้นกับไม่เคยคุนคยค้นกับเพณีนี้ แต่จากการที่ไปดูข้อมูลมาก็มีตำนานเล่ากันมาว่าคืนวันที่14ค่าเดือน10เนี่ยทางโยมโลกได้ปล่อยให้วิญ ญ, ญาณออกมาเยยบลูกหลานได้และ ว, วิ ญ, ญญาณเหล่านี้ก็จะมามารับส่วนบุญจากลูกหลานคือญาติแล้วก็จะกลับสู่โยมโลกในคืนวันที่15ค่าเวลาเที่ยงคืน อันนี้ฟังจากการที่เขาเล่ามาเล่ากันมาซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้ก็จะมีความสุขแล้วก็ร่วมบรุโมทนาด้วยให้ให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขความเจริญแต่ถ้าลูกหลานลืมไม่ทําบุญไม่อุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายหรือ บ, บรรพุทธที่ล่วงลับไปแล้วก็จะเสียใจเศร้าใจน้อยเนื้อต่ําใจ ซึ่มีเรื่องเล่ามาว่าสมัยครั้งพุทธกาลเริ่มมาจากพระเจ้าพิมพิสารมีอยู่คืนวันหนึง่งพระองค์ได้ยินเสียงร้องโหยหวนน่ากลัวมากจนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาจนวันรุ่งขึ้นต้องไปหาพระพุทธองค์ไปถามว่าเสียงอะไรเมื่อคืนนี้ที่ที่ได้ยินพระพุทธองค์ก็บอกว่าเป็นเสียงร้องขอส่วนบุญจากญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งรอคอยรอลัส่วนบุญมานานแล้วรอคอยไปยาวนานมากต้องการกสองกับคือเท้าไวปถึงความเดิมสมัยนั้นพ ร, พระเจ้าพิวิษสาเนี่ยได้เกิดเป็นขุนคลังแล้วพระราชาของเมืองนั้น่ะชื่อเมืองรัชคือเหมือนกันก็ได้ทําบุญให้พระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่พระองค์นี้นะพระองค์นู้นพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์ทําบุญแบบอย่างยิ่งใหญ่ ติต่อหลายวันและเจ้าชายที่ซึ่งเป็นราชโอรสมีอยู่สามสามคนก็เกิดศรัทธาอยากทา บ, บุญมั่งก็เลยขอพระราชาว่าจะขอทำ บ, บุญเองก็เลยชวนขุนคังเนี่ยเหลือดีตอาชาของพระเจ้าพิพิสารเนี่ยมาร่วมกันทําบุญพระเจ้าพิพิสารสมัยนั้นหรือขุนคังเนี่ยก็เชิญ ญ, ญาติพี่น้องของตนเนี่ยมาร่วมด้วย ใหม่ๆก็ทำกันดีทำมาเต็มที่พอตอนหลังเนี่ยญาติกับขุนคลังเนี่ยเกิดฟาร้โมกกินอาหารก่อนพระบ้างหรือยักยอกของสงที่จะถวายทานเนี่ยเอาไปเลี้ยงครอบครัวมัง่งซึ่งขอรับชั่นตอนนั้นซึ่งทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยพอตอนหลังตายลงราชบุตรสามคนกับขุนคลังก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์หมดเลย แต่ส่วนญาติพี่น้องของขุนคังเนี่ยก็ตายไปก็ไปตกนรกพอตกนรกเสร็จก็ยังมีเศษกรรมอยู่ต้องมาเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นเปรตมาหลายภพหลายชาติจนพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาตั้งหลายพระ อ, องค์ก็วาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกรอรอนู่นนะรอรอญาติเนี่ยรอรอญาติของเธอที่จะมาเกิดในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยที่ก็รอแล้วรอเล่าเนี่ยยาวนานมากจนแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน จนขุนคังเนี่ยมาเกิดเป็นพระเจ้าผิพิสารจึงจะมีโอกาสได้ขอส่วนบุญพระเจ้าพิพิสารก็สร้างอุทยานเวลุวันเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นวัดพระสงค์ได้ใช้ทำประโยชน์เจริญในธรรมแต่พระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดอุทิศกุศลให้กับญาตินะญาติก็เสียใจก็มาทวงพระพุทธองค์ก็บอกให้ พระเจ้าีวิสา์เนี่ยอุทิศกุศลให้เพระเาะญาติรอคอยมานานแล้วตอนนี้ตกละกรรมลำบากพระเจ้าผีวิสา์ก็ทําตามวันลุกขึ้นก็นิมนต์พระพุทธองค์กับพระสงฆ์มาฉันอาหารเช้าแล้วพระองค์ก็ถวายถวายอาหารเสร็จก็พระพุทธเจ้าก็บอกให้กวดน้ําแล้วก็พูดว่าอีทางเม ยาตโยโหโตุสุกิตาโหตุยาตโยถ้าแปลเป็นไทยก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จนถึงญาติของข้าพเจ้าและขอขอให้ญาติของข้าพเจ้าจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปพระเจ้าพิพิสารสก็ทำตามแล้วพระพุทธองค์ก็แสงฤทธิ์ให้พระเจ้าพิพิษสารเนี่ยเห็นภาพของเปรตที่เป็นญาติตอนแรกเนี่ย แต่ละคนดูไม่ได้เลยมีแตหนังหุ้มกระดูกรูปร่างอับบรักษ์น่าเกียดพอได้อาหารอาหารทิปที่เป็นส่วนบุญที่แผ่ไปให้เนี่ยก็เป่งปังอ้ ว, วนขึ้นมีน้ำมีนวลแต่ก็ยังไม่มีเสื้อผ้าพระพุทธองค์ก็บอกให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญถวายเครื่องนุ่งห่มให้แก่พระสงฆ์เป็นจีวรพาณิศีธนะ พระเจ้าผีพิสารก็ทาตามพอทำเสร็จญาตเหล่านั้นที่ตอนนี้ร่างกายเปิป่งปังอยู่แล้วแต่ไม่มีเครื่องนุ่งหม่มก็มีเครื่องนุ่มห่มสวยงามมีความสุขกันทั่วหน้าอันนี้ก็คือประเพณีที่สืบต่อกันมาก็มาจากพระเจ้าผีพิสารแต่ทางอีสานเนี่ยเท่าเท่าที่เรามาเนี่ยไปดูข้อมูลมาพิธีขบุญข้าว เขาสักสลักกพัดเนี่ยก็คือญาติโยมมาวัดแล้วก็มาจับฉลากคือว่าให้พระอาจจะไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งให้ได้รับขอของตนที่นํามาถวายหรือเป็นการเสี่ยงดวงใครก็ได้ถ้าปีนั้นดวงไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเนนจับได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพระเถระผู้ใหญ่จับได้ชาวบ้านญาตยโยมก็มีความสุขเหมือนการวัดดวง ทําตามกันมาเรื่องก็มีเรื่องเล่าว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยมีชายผูวเมีคู่หนึ่งซึ่งเป็นคนยากจนมากแต่มีจิตศรัทธาอยากถวายทําบุญแก่หมู่สงก็ต้องไปขายของที่ตัวเองมีอยู่อะไปซื้ออ้อยมาสี่ลำกล้วยสี่ลูก ข้าวหนึ่งหม้อแกงหนึ่งหม้อแล้วก็มาถวายถวายเป็นข้าวสลากภพัแก่พกุทธองค์แล้วก็ทิ่ฐานจิตว่าขอให้ความลำบากความยากจนเนี่ยอย่าได้มีกับข้าพระเจ้าเลยในชาติต่อไปด้วยผลบุญอันนี้สองคนผวเมียก็ได้เกิดบนสวรรค์ แล้วกเกิดไปเศรษฐีมีความสุขแล้วก็เป็นที่เล่าต่อๆกันมาบุญปพะเ์ณนนี้เนี่ยก็คือบุญกิยาวัตถุสิบข้อที่หกปฏิทานามัยคือแบ่งปันความดีให้กับผู้อื่นแบ่งความสุขกับผู้อื่นหรือที่สวยผู้สนให้แก่ผู้อื่นเช่นบิดามารดาญดติโกโหติการที่ร่วงรับไปแล้ว แะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยก็ถือเป็นเปรพิีที่ดีงามและทำให้เกิดความสามคัคคีให้ญาติโยมได้มาทำบุญ ก, ก็กลายเป็นบุญกิยา ว, วัตถุสิษิ์ข้อที่5้ยยาวยยวัจจะไม่ทำให้แบบช่วยเหลือสังคมลอบข้างช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นวันสามคัคคีวันหนึ่งของหมู่บ้านหรือชุมชน อย่างพวกเราที่มาวัดเนี่ยถ้าเราทาบุญเป็นนะทาบุญได้เกือบเกือบครบทุกข้อเลยตั้งแต่ข้อที่หนึ่งการให้ทานข้อที่สองการการรักษาศีลข้อที่สามภาวนาข้อที่สี่ก็ประพฤติอ่อนน้อมท่อมตนข้อที่ห้าช่วยเหลือขนขวายข้อที่หกก็แบ่งปันความดี ข้อทเจเวลาเห็นใครทำความดีแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยสาธุข้อที่แปดตอนนี้พวกญาติโยมกําลังทำํำมาอยู่คือฟังธรรมการฟังธรรมเนี่ยก็มีก็ได้บุญมากและข้อที่เกแสดงธรรมการแสดงธรรมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นพระ ท, ที่แสดงได้เท่านั้นโยมก็แสดงแสดงธรรมได้ช่วยแจกซีดีธรรมะครูบาอาจารย์คูู้ให้คนเสียใจให้หายเสียใจ ให้กำลังใจให้ความรู้กับผู้อื่นยมทำได้ทุกคนเน่ะเห็นคนอกหักคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็พูดปอบให้ขายลมนั้นเห็นคนทําเงินหายหรือของหายเศร้าใจแล้วก็พูดปอบทำให้เขาหายเสียใจก็ถือเป็นการทำบุญหรือมันก็ชี้แนะครูบาอาจารย์ให้อาจารย์คนนู้นดีคนนี้ดีเห็นคน เห็นคนมีความหลงมากก็ชี้ให้เขาหายหลงเนะี่ยอันนี้ก็เป็นการแสดงธรรมแล้วข้อที่สําคัญก็คือการทําความเห็นให้ตรงข้อนี้สําคัญมากอย่าบางคนเนี่ยโดยธรรมชาตินี่นะจะมีความเห็นที่บิดเบือนเห็นเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงแล้วก็เห็นความทุกข์เป็นความสุขซึ่งข้อนี้จะเป็นกันมากเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ย มัวเมาในอวัยมุขอย่างวันเสราร์อาทิตย์เนี่ยก็ไปอยู่ในสนามมา้ามั่งอยู่ในบ่อนมัง่งบางคนก็ไปสาเริงลมไปส ถ, สถานที่แบบอคูจรต่างๆกินเหล้าเมายาไปสนามมวยหรือไม่ก็เล่นไพ่ เล่นไฮโลทําอะไรก็ได้ที่ว่าส่งเสริมกิเลสแล้วก็ติดแล้วก็มองว่าเป็นความสุขคือเห็นกงจักไปดอกบัวซื้อข้อนี้จะเป็นกันมากนะครแต่ละคนไม่เรียนธรรมะไม่ปฏินน บ, บัติธรรมจะมองไม่เห็นจะเอาชีวิตไปจมปักกับเรื่องพวกนี้บางคนก็ไปคบเพื่อนชั่วก็มีเพื่อนชักนําไปทางที่เสียคนบางทีก็ต้องติดคุกติดตารางก็มีเพราะเพื่อนคือ เราต้องเห็นโลกตาความเป็นจริงคือเห็นสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุ ก, กททข์แล้วก็ไม่ติดทั้งทั้งสุขแล้วก็ไม่ติดทั้งทั้งทุกข์คือวีรากสักการะแล้วก็ไม่ยินดีเวลาเสียเราก็ไม่เสียใจเพราะโดยชีวิตของคนเราเนี่ยส่วนมากจะดีใจเกินเหตุเวลาได้อะไรมาเนี่ยเวลาเสียใจก็เสียใจเกินเหตุเหมือนกันสังเกตจากผู้ดาราหนังเนี่ยจะเป็นคนที่อินกาลมได้ง่ายเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย นิดหน่อยก็จะดีใจเกินเหตุเวลาเสียใจนี่ร้องไห้ฟูมไฟถ้าเป็นทักตาย ค, คืออารมณ์อ่อนไหวเกิดอะไรขึ้นมาก็อินกับอารมณ์นั้นได้สังเกตนะนักร้องดาราจะฆ่าตัวตายกันง่ายทั้งที่เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งที่ชีวิตก็สุขสบายมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีชื่อเสียงด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ความสุขคือเกิดจากความเห็นผิดคิ ด, ดว่าเป็นความสุขแล้วก็ เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเป็นตัวตนข้อ น, นี้ก็เป็นกันมากคือจะยึดตัวกูของกูว่านี่ของกูอันนั้นแล้วของกูซึ่งถ้าใครไปตัวกูเยอะเนี่ยเขจะทุกมากพราะต้องแบกใครว่ากูหรือเปล่าใครดินทากูหรือเปล่าอะไร ก, กูโดนหมดอะแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยยึดตัวกูนะก็จะไปไหนก็สบายใช้ชีวิตแบบติดดินไม่ค่อยยึดอะไรสังเกตนะอย่างพวกเสียและเศรษฐีรวยๆเนี่ย ที่ศัตรูเยอะๆเนี่ยจะไม่กล้าไปนั่งกินกาแฟหรือหรือเขาโต้มข้างถนนหรอกกูัศัตรูมันยิงบางทีก็ต้องใส่กระจกกันกระสุนนั่งรถกันกระสุนนะกูัศัตรูตทําร้ายชีวิตเนี่ยอยู่อยู่แบบหวาดผวาไม่มีความสุขเพราะว่าตัวตนเยอะไปไหนก็ต้องแบกตัวตนตลอดเวลาอย่างเนคําเนี่ยไปไหนก็ต้องให้รถบอนําหน้าสร้างภาพสร้างความยิ่งใหญ่ให้เขารู้ ว่าฉัาานมาแล้วอันนี้ก็แต่คนไม่รู้ก็คิดว่ายิ่งใหญ่นะมาแบบไปขบวอนอะไรเงี้ยแต่คนเข้าใจธรรมะ ก, ก็รู้ว่านี่อ่ะโอ้โหโคตรโคตรโคตรกิเลสเลยโคตรอัตตาซึ่งก็มีคนทำมันมากนะแต่หลอกคนที่ไม่เข้าใจธรรมะได้แล้วคนมีธรรมะ ก, ก็รู้เข้าใจว่าเนี่ยถี่งที่ทำเนี่ยเป็นอัตตาเป็นกิเลสคือทําไปแล้วก็ทุกข์ซึ่งไม่ควรทํา แล้วก็คนเราก็จะเห็นของไม่งามเป็นของงามโดยธรรมชาติจิตของคนเราเนี่ยจะลหลงใหลในรูปลดกลิ่นเสียงอารมณ์ต่างๆซึ่งก็กิเลสมันก็หลอกอันมาสังเกตนะคนที่เราเห็นว่า ส, สวยๆเนี่ยพอตั้หลังไม่เจอกันานานก็จะแก่ไปโทมไปผมก็งอกตีนกาขึ้นหนังก็เหี่ยวแต่ถ้าอยู่ด้วยกันทุ ก, ทกวันเนี่ยเราไม่เคยสังเกตหรอก จิตมันเคยชินแต่พอนานๆานเจออันทีจะเห็นได้ชัดเลยร่างกายสุดโทมลงทุกวันทุกวันคนเรานานๆไมาเจออันทีเนี่ยถ้าร่างกายอาวัยวะครบสามสองเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะเพราะชีวิตคนเราตั้งอยู่ดกว่ามไม่เที่ยงบางคนตายไปเราไม่รู้เรื่องก็มีญาติพี่น้องนานๆเจ อ, อทีอา้าวตายไปแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยถือว่าโชคดี พรโดยธรรมชาติในคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นความโชคดีตัวเองเหรอกจะมาเริ่มเห็นก็ตอนที่ว่าตัวเองป่วยป่วยหรือเจ็บหนักก็จะคิดถึงตอนที่เอตัวเองไม่ป่วยบางครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขแต่คนเราก็ไม่ค่อยจําความสุขนะมันจะไปจําเรื่องทุกข์พอโดยนิสัยอ่ะเรื่องทุกข์มันจะจําจําง่ายเลยจําฝังใจใครว่าอะไรเราคดินทาเรา ใครทำอะไรไม่ดีกับเราเีเมจําแต่เรื่องบุญคุณเนี่ยใครทําวามดีกับเราเราก็จะลืมอย่างผัวเมียเนี่ยควา่ดีต่อกันเนี่ยขนาดไหนเนี่ยพอทะเลาะกันสองสาครั้งเนี่ยจำไม่ลืมเลยบางคนเลิกกันก็มีหรือพ่อแม่เนี่ยดุด่าว่าลูกลูกมันจาไม่ลืมเลยนะบางทีสองสาครั้งเนี่ยแต่ช่วงที่พ่อแม่ทําวามดีกับลูกเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งลูกมันประจําไม่ได้หรอกฝ่าเคยชินไง จะประจ ا م ได้ตอนพ่อแม่เนี่ยล้มป่วยแล้วก็พ่อแม่เนี่ยตายไปแล้วมันถึงมันึก ถ, ถึงความดี ข, ของพ่อแม่คนรักก็เหมือนกันไอตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ค่อยจำประจ امل ตอนที่ว่าแฟนเลิกไปแล้วเริ่มมาคิดถึงความดีของเขาหรือเขาตายจากไปแล้วซึ่งตอนนั้นก็สายใช้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรคือคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมองไม่เห็นความดีซึ่งกันและกัน จะมาเห็นความดีก็ตอนเมื่อจากกันไปแล้วเห็นคุณค่าเมื่อสายเสียแล้วคนเราเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นผิดให้เป็นถูกคือเห็นของไม่เที่ยงให้เป็นเห็นของคือเห็นของไม่เที่ยงอ่ะคือตอนแรกก็กิเลสหล่ อ, หอให้เห็นหเห็นว่าโลกเที่ยงอันนี้อันนี้เที่ยงอันนู้นเที่ยงอ่ะเราก็มาเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เป็นไตรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเราก็เห็นว่าความความทุกข์ก็คือทุกข์สุข ก, ก็คือสุขเราก็อย่าไปยินดียินร้ายยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตเราก็ทุกน้อยลงแล้วก็ไม่ยึดว่านี่คือกูของกูถ้าเราเรามีทิฏฐิตัวนี้นะชีวิตเราก็ทุกน้อยลง แต่เรายึดว่าเนี่ยเป็นตัวกูเป็นของกูเดีย่ยชีวิตเราก็ทุกข์มากไปไหนก็หนักเรากต้องสร้างภาพสร้างภาพตลอดว่าเนี่ยกูนะกูเป็นนูน่นกูเป็นนี่นะยิ่งไม่เป็นไรหรอกกีเลียมเปนหรอกแล้วก็มองเห็นความจริงชีวิตไว้เราเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นของที่ต้องเสื่อมไปไม่มีใครดํารงอยู่ได้ต่อยหงงานจักรวาลเดี๋ยวก็ต้องโทมต้องแก่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยรัฐาชอบสายยันต่อสายยันหนุ่มๆเนี่ย หรือยอดรักหนุ่มๆเนี่ยเราก็ชอบแต่ตอปเด็กๆเคยดูแสดงสดไปแล้วพอตอนหลังเนี่ยมาดูทีต่อนจะตายเนี่ยแต่ละแต่ละท่านจะดูไม่ได้เลยร่างกายสุดโซมไม่เหลือเขาขาดความหลอในอดีตเลยอันนี้ก็เป็นการแสดงไตรักก็เห็นนักร้องของเราชื่นชอบเนี่ยหรือดาราหนังดังๆเนี่ยพออายุมากๆก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็แก่ โสมแล้วก็บางคนก็เจ็บป่วยอันนี้ออกข่าวมาใหเราดูเห็นบ่อยๆแล้วบางทีก็ตายไปอันนี้ความจริงของชีวิตเพราะเรายึดไม่ได้ก็รู้ร่างหน้าตาสิ่งที่เราแก้ไขได้คือจิตใจเราสามารถฝึกจิตและพัฒนาจิตได้แต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นของภายนอกอยังงไงแก้ไขไม่ได้มันเกิดมาแล้วต้องเป็นไปตามกฎตายลัก กิขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเนี้ยถ้าเรามาวัดเนี่ยเราสามารถทําบุญทำบุญได้ครบสิบข้อเลยนะซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแต่ถ้าคนมาวัดทำบุญไม่เป็นบางทีอาจจะไม่ได้ทําเลยแม้แต่ข้อเดียวก็ได้ถ้าคนทําบุญเป็นเนี่ยทําครบสิบข้อแล้วทําได้มากด้วยแต่ละวันเห็นใครทำความดีเนี่ยเราก็สาธุเนี้ยก็ได้บุญแล้วบางทีแต่ถ้าเห็นใครทาความดีแล้วหมันไส้อันนี้สร้างภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้บาปไปแทน คือใครทำความดีเนี่ยถ้าเรามองในแง่ดีเราก็ได้บุญด้วยเถอร่วมบุญโดยไม่องลงทุนอย่างมีฐานอยู่เรื่องหนึง่งชายอยู่คนหนึง่งชายคนเนี้เป็นคนชอบทําบุญเป็นชีวิตจิตใจชายค น, นี้ชื่อว่าใดบุญเป็นคนมีฐานะดีแล้วก็ทําบุญสมชื่อนะมีการสร้างวัดสร้างวาที่ไหนแกก็ไปร่วมด้วยอาการที่แกทําบุญมากๆเนี่ยตอนหลังก็ทําให้แกเนี่ยยากจนลงคือทํา ม, มากอะทำ ม, มากเกินตัวทำที่จิตศรัทธา แล้วก็ตอนหลังก็อเอาเมียเนี่ยไปขายให้เป็นคนรับใช้ของเศรษฐีพอหมดตัวแล้วแล้วแล้วก็ได้เกิดบาก้อนหนึ่งเมียก็บอกให้เก็บรักษาเงินไว้ให้ดีอย่าไปทําบุญจนหมดในบุญนี่ก็รับปากแต่แกก็มาทำบุญเหมือนเดิมทําจนหมดตัวต่อหลังก็เป็นขอทานเป็นขอทานเร่ร่อนไปทั่วแล้วก็อยู่บาวันหนึ่ง ท, ทางเทวดาเรื่องนี้ร้อนไปถึงเทวดา เทวดาก็ประชุมกันเอ๊ะชายคนนี้ทำแต่บุญทําไมถึงเดือดร้อนแล้วก็ยากจนทำไมบุญไม่ช่วยแล้วทีก็มาตรวจ ด, ดูว่าชายคนนี้นี่ดีในชาติเนี่ยทํากรรมไม่มากซึ่งชาตินี้จะต้องปดอาหารตายและชาติหน้าจะต้องถูกฟ้าผ่าตายราชาติต่อไปจะต้องถูกเสือกัดตายจะต้องไปอย่างนี้สามชาติซึ่งทางเทวดาก็ประชุมกันว่าใชายคนนี้รับกรรมในชาติเดียวจะได้เสวยผุดบุญมั่งพอตกลงกันแล้วอีกไม่นานชายคนนี้ก็ เมืองนั้นเน่ะก็เกิดข้าวยากหมากแพงไม่ค่อยมีคนทําบุญชาคนี้ก็ขอหายไม่ค่อยได้ไปมาก็ต้องอดตายใครอดตายปุ๊บั้นก็มีฝนฟ้าคำรามฟ้าก็ได้ผ่าลงมาที่ชายคนนี้ด้วยคือยังไม่ตายดีนะฟ้าก็ผ่าลงมาแล้วเสือซึ่งอยู่ในป่าถึงชายคนนี้ไปไปไ ป, ไปถูกฟ้าผ่า ใ, ใกล้ป่าแหละเสือเสือได้กลิ่นเนื้อก็ออกมาแล้วมากินประกาศกินชายคนนี้จนยับไปทั้งล่างเลย หลังจากตายไปเนี่ยความก็ทราบถึงเมียของชายคนนี้เมียของนายบุญก็ลาเสดสีที่ตัวเองเป็นปนคนรับใช้เนี่ยมาดูมาเห็นศพสามีนางก็เกิดฟ้าสังเวชใจแล้วก็กัดนิ้วตัวเองแล้วก็เลือดเนี่ยเขียนไว้ที่หน้าผากสามีบอกว่าบุญไม่ช่วยหลังจากนั้นต่อมันไม่นานพระราชาของเมืองเมืองหนึ่งก็ดีใจที่ว่าเมสีได้ประสูติโอรสโอรส คนนี้เป็นชายหน้าตาน่ารักแต่ก็แปลกใจที่ว่าบนหน้าผากเนี่ยมีอักษรสีแดงว่าบุญไม่ช่วยก็เลยเรียกโหรมาตรวจโหรก็บอกให้เป่าปากาว่าใครสามารถลบลบอักษรที่อยู่บนหน้าผากเนี่ยดัดี่ได้ก็จะให้รางวัลอย่างงามความก็ทราบไปถึงภรรยาของนายบุญ ก็เลยเข้ามาดูแล้วก็อาสาว่าจะลบรอยนี้ให้พอมาเห็นเนี่ยก็ดีใจมากรู้ว่าเป็นสามีของนางกลับมาเกิดนางก็ค่อยลบเธอก็เหตุบัตรสจจรย์สามารถลบรอยบุญไม่ช่วยได้ราชาดีใจมากจะให้รางวัลแก่นางทึ้งนางก็ไม่รับขออยู่เป็นคนเลี้ยงเด็กคนนี้ เด็กเจ้าชายน้อยอ่ะที่ท้ายเรื่องนี้ก็มีคติตรงที่ว่าบางครั้งบุญมันจะไม่ให้ผลบางครั้งกรรมจะให้ผลอยู่และอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตอาจจะทํางานมีอุปสรรคมั่งอาจจะขาดสนเงินทองอาจจะไม่ได้รับความสะดวกต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวกับกรรมก็ได้แต่ละบุญบุญน่ยบุญเนี่ยทาไว้ดีแน่นอนยังไงก็ต้องตอบสนองคือทําดีๆทําชั่วๆ คือปลูกพืชยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นบุญแล้ไม่หนีไปไหนอันมาก็เน้นให้พวกโยมเนี่ยมีศรัทธาในบ้นัณคงอย่าหวั่นไหวในการทําความดียังไงบุญต้องช่วยเราแน่นอนบุญกุศลเนี่ยจะติดตัวเราไปทุกพบทุกชาติแต่ถ้าทํำบาปทาอะไรไม่ดีไว้เนี่ยบุญกุศลก็จะติดตัวเราเรื่องกานอย่างญาติของพระเจ้าพิพิษานี่ตัวเติบเกิดเป็นเปต เพราะว่าทำฟารมไม่ดีไว้ซึ่งสมัยพุทธกาลก็มีคนหลงผิดเยอะอย่างพระเทวทัศน์เนี่ยขนาดเกิดทันพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องตกระลกเลยเพราะว่าทำบาปแต่คนที่บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลมากมายฉนั้นคนเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะฟารมตายเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราอยู่ในโลกเนี่ยเหมือนกับ มาอยู่ก็ใส่ค่าชั่วข่าวเท่านั้นถึงเวลาเราก็ต้องไปไม่มีใครอยู่ในโลกถาวร น, นี้ได้ถาวรได้ค่าเช่าถ้าเปรียบโลกเป็นโรงแรมก็ค่าเช่าของเราก็คือบุญและบาปพอบุญบาปหมดเขาก็ไม่ให้เราอยู่แล้วเช็คเช็คเอาต์ไล่ออกงั้นเราก็เราก็ต้องหมั่นทคำความดีไว้แล้วก็เราหมั่นเจริญสติภาวนามากจะได้เป็นทุนเพราะว่าสติเนี่ยเป็นเพื่อนเราได้ อย่างที่เราจะต้องตายเพราะเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะไปนึกถึงสิ่งที่เราทําไม่ดีเอาไว้เพราะโดยนิสัยคนเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีมันไม่คิดหรอกสติีความระลึกได้ถ้าเราเจอสติบ่อยเนี่ยมันก็นึกถึงความดีได้เพื่อเราไม่ละมาดเราก็ต้องทําดีมากๆอ่ะเพื่อว่าเพื่อว่าจะได้คิดถึงเพราะถ้าเราเราไม่ทําเนี่ยเราก็ไปคิดถึงเรื่องไม่ดีไปคิดถึงเรื่องคา่าสัต์ชีวิตได้สวยเลยตอนตาย คิดถึงทำบุญไว้เลยทำอะไรอะไรไว้แก่สาสนาบังคนก็สร้างวัดสร้างวาทำประโยชน์กับให้กับวัดมากมายถ้าเราคิดได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เกิดในสุคติทันทีซึ่งวันนี้ก็เป็นวันทำบุญขา้าสารเอามาก็พูดเรื่องบุญมาเยอะซึ่งบุญบุญยาววัตถุสิบทำด้ทุกข้อแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ ไม่สามารถทำได้เลยไม่ได้ข้อเดียวต่ออยู่วัดด้วยอนาพูดมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาขอจบแค่นี้